ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทมและทัศนาชีวิตนะครับผมวสิงธินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เป็นประจำครับเรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังค้างไปเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องพระรัตนตรัรนะครับแล้วก็พูดถึง พระพุทธคุณอย่างทั้งมาถึงหัวข้อพระพุทธคุณในข้อที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลเอกของโลกข้อต่อผมได้อธิบายหัวข้อที่หนึ่งที่ว่าบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สูขแก่โลกคือพระธถาคตอาดัหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องเพลิงกิเลสและก็เพลิงทุกข เว่าโลกของเราวุ่นวายเดือมนุษย์เดือดร้อนกันอยู่เพราะเพราะว่าเพลิงกิเลสมันเผาเอาเราไม่ได้เผากิเลสเสียบ้างไม่ใช่แต่บะเผากิเลสเสียบ้างากิเลสมันก็เผาเอาที่จริงปัญหาที่มากมายของมนุษย์นี่นะครับก็มีสาเหตุสําคัญมาจากที่ภ า, าวะตกต่ํา ทางจิตใจของมนุษย์แล้วก็ภาวะตกต่านั้นก็มาจากการที่มนุษย์ไม่เห็นโทษของกิเลสไม่เห็นโทษของกิเลสนึกว่ามันเป็นเรื่องอื่นไม่สาวไปหาต้านต่อไม่นึกว่ามันเป็นเพราะโทษของกิเลสเลยชวนกันโหมเพลิงกิเลสให้กับชีวิตสนอง ความต้องการในชีวิตด้วยเพิงกิเลสทีสนี้ก็เพิงกิเลสมันก็เริงแรงขึ้นเพลิงกิเลสมันเริงแรงขึ้นเพียงใดเพลิงทุกข์ก็จะรุนแรงขึ้นเพียงนั้นท่านสังเกตดูเลยครับสังเกตดูสังเก ต, เกต ด, ดูดีๆก็จะเห็นไม่สังเกตดูให้ดีก็จะไม่เห็นบางอย่างมันเป็นความทุกข์ที่สุขขุม คือว่ามันเป็นความทุกข์ที่ละเอียอดออาเราต้องมองด้วยปัญญาที่ละเอียอดอ่อนจะมองปัญญาหยาบหยมันมองไม่เห็น้ายๆเชื้อโรคซึ่งจะมองด้วยกล้องจุลทรรศมันเล็กเกินไปที่จะมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่ว่ามันมีฤทธิ์นะมันมีฤทธิ์มีอิทธิพลในการที่จะทาให้ร่างกายเจ็บป่วยมองด้วยกล้องจุลทรรศก็จะเห็น บางอย่างก็ต้องขยายถ้า ม, มีส่วนขยายมากเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าถึงจะมองเห็นหรือว่าไอ้ขี้ฝุ่นเนี่ยครับขี้ฝุ่นบนโต๊ะเนี่ยบนโต๊ะบนพื้นเนี่ยบางแห่งเราก็ไปดูสะอาดสะอาดโต๊ะก็สะอาดอะไรก็สะอาดมองด้วยตาเปล่าแต่ลองเอากล้องจุลทรรศน์มาดูมันจะเห็นขี้ฝุ่นเยอะแยะเลยเอาแว่นขยายดูก็ได้ นีก็เพื่อให้กิเลสเบาบางลงถ้าอยากให้ทุกเบาบางก็ต้องให้กิเลสเบาบางลงเราก็ต้องหัดบังคับตัวเองบังคับตัวเองฝึกฝนตนเองเอาชนะตัวเองให้มากขึ้นผลของมันก็คือความปลื้มใจความเย็นใจความสุขใจซึ่งก็มีค่าสูงกว่าการทําใจตัวเองมากมายนะัก ถ้าเราทำได้ทำได้แค่ไหนความสุขมันก็เพิ่มขึ้นแค่นั้นตามใจตัวเองแค่ไหนเป็นเรื่องของกิเลสเพิ่มกิเลสมากเท่าไหร่ก็ถูกเผามากเท่านั้ น, น, ก, ก, น, นก็เดือดร้อนมากเท่านั้นทีนี้ผมจะพูดถึงเพลิงทุกข์บ้างนะครับเพลิงทุกข์ก็หมายถึงว่าในอาทิตย์ตะพยายสูุที่พระเจ้าทรงสเสดง ก, กับชัดินมันก็มีความเกิด ค, ความแก่ ความเจ็บความตายร้รวมทั้งความเศร้าโศกเสียใจพิไรราพันความคับแค้นใจแต่ที่นี้เพลิงทุกพวกนี้นะครับมันก็มีเพลิงกิเลสเป็นมูลสําคัญไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นสภาวะเป็นสภาวะทุกขใครก็หนีไม่พ้นนะครับแต่ว่าความาวโศกเศร้าเสียใจพิไรําพันความคับแค้นใจต่างๆนี่ พวกนี้มันมีเพลิงกิเลสเป็นมูลสําคัญเป็นมูลเหตสําคัญเพราะถ้ามีกิเลสน้อยอความเศร้าสุขเสียใจเพื่อใดลำพันธ์มันก็น้อยถ้ามีมากมีกิเลสมากก็ทุกมากมันก็มีเรื่องพวกนี้มาก <c oughs> เมื่อไม่มีเพลิงกิเลสเพลิงทุกซึ่งก็เป็นผลก็จะมอดไปเองมอดดับไปเองเหมือนไฟที่หมดเชื้อมันจะค่อยๆมอดดับไป นี่สำหรับพระอาหารหันต์นี่ท่านก็ดับเพลิงกิเลสได้หมดแล้วหรือพระโสดาบานันพระรยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็มีเพลิงกิเลสน้อยท่านก็มีความทุกน้อยอย่างพระโสดาบันเพียงแค่พระรยาบุคคลชั้นต้นก็มีความทุกน้อยเกือบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วผมเคยพูดมาหลายหนหลายแหง่ง แปล ว, ว่าก็อยากจะขอพูดในที่นี้เสียด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงว่าความทุกข์ของพระโสดาบันมีน้อยเหมือนกับใบหญ้าที่จุ่มลงไปในสระแล้วก็น้ำที่ติดใบหญ้าขึ้นมานั่นแหละคือทุกข์ของพระโสดาบันแล้วก็ความทุกข์ของปุถุชนทั่วๆไปก็เหมือนกันน้าในสระใหญ่ ลองคิดดูลองเทียบกันดูมันมีมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่น้ำในสระใหญ่กับน้าบนใบหญ้าน้อยน้อยยิ่งอันท่ปุถุชนด้วยอันท่ปุถุชนแตปุถุชนผู้มืดปอดนะครับยิ่งความทุกข์มันมาอุลลานเลยชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ถ้าเป็นกัญยาณะปุถุชนหน่อยก็ค่อยอยังชั่วขึ้นมาหน่อยหนึ่งกัญยาณะปุถุชนปุถุชนชั้นดีความทุกข์ก็จะน้อยเข้าไปหน่อยหนึ่ง รู้จักแยกแยะอะไรท้ออะไรตัอันท่าปุถุชนปุถุชนมืดบอดอันท่แปลว่ามืดบอดบอดนะครับบอดเหมือนคนตาบอดคนตาบอดก็เดินไปมันก็ไม่เห็นอะไรเดินไปมืดมืดไปสะดุดก้อนหินบ้างก้อนดินบ้างลงห้วยลงเหวอะไรมันก็ไม่รู้ไม่รู้ตาบอดแถมยัง มีคนให้ไฟสองทางให้ไฟสองทางแกก็ทำไฟดับก็ไม่รู้าบางทีก็เหยียบลงไปในไฟที่สองทางนั่นเองเพราะความที่แกเป็นคนตาบอดก็มีเรื่องว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งไปบ้านเพื่อนแล้ว ก, กลับมาคำัำเพื่อนเขาบอกว่าเอาเอาโคมไฟไปด้วยแต่บอกว่าไม่จาเป็นหรอกไม่จาเป็นหรอกโคมไฟสำหรับเขาเพราะว่าเขาตาบอด เอาโคมไฟไปเขาก็มองไม่เห็นเพื่อนเขาบอกว่าก็เองถือไปเถอะถือไปเถ อ, อะเพื่อคนอื่นเขาจะได้เห็นเองเขาจะได้ไม่ชนเราเขาจะได้ไม่ชนเองอเองตาบอดข้าก็รู้แล้วแหละถึงจะถือไฟสองทางเองเขามาเห็นแต่ว่าให้คนอื่นเขาจะได้เห็นเองว่ามีคนเดินอยู่แกก็ถือไป ถือไฟถือไปก็มีคนมาชนมาชนได้แก่ก็โวยวายบอก็ไม่เห็นเนือมีคนถือไฟอยู่นี่มาชนเขาไอคนที่มาชนก็บอกว่าอ้าวก็เห็นเราก็ว่าถือโคมไฟแต่ ว, ว่าไฟมันดับแล้วไฟมันดับแล้วก็ไม่เห็นคนตาบอดเดินถือโคมไฟไปตัวเองก็ไม่เห็นทาง นอกจากไม่เห็นทางแล้วแม่ไฟในโครงไฟนั้นดับตัวก็ไม่เห็นอย่างนี้ลองคิดดูลองคิดดูว่าคนตาบอดเป็นอย่างไรทีนี้ตาบอดใจในี่ใจบอดตาข้างนอกไม่บอดแต่ว่าใจบอดล้วจะเป็นอย่างไรก็เหมือนกันอยู่ในลักษณะเดียวกันไม่รู้ผิดชอบช่วดีเดิน และดำเนินชีวิตไปอย่างคนบอดในวงคนที่ปณีได้กล่าวถึงว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีการศึกษาไม่มีวิตัยของชีวิตแล้วคนทั้งหลายก็จะเพ่นผ่านไปในโลกเหมือนกับควายป่าที่ตาบอดเดินเพ่นผ่านอยู่ในป่าไม่รู้หูกเถว ไม่รู้ห้วยน้องไม่รู้สมทุมพุ่ใไม่ไม่รู้เรียวไผจะเกี่ยวเอาหรืออะไรไม่รู้ทั้งนั้นลอนนกดูว่าในโลกของเรานี่ถ้าเผื่อว่าไม่มีไฟสองทางไม่มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านท่นสงสองเอาไว้ที่เป็นไฟสองทางให้แกประชาชนแล้วจะเป็นอย่างไร โลกจะมืดอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงมีพระคุณอย่างล้นเหลือกับโลกเป็นประทีศของโลกมีฝรั่งเคยเขียนหนังสือถึงพระพุทธเจ้าเรื่องประทีศแผ่งทวีปอาเซีย And The l i g h t of Asia The Line of Asia เราแปลว่าประทีศแผ่งทวีปอาเซียที่จริงก็ไม่เพียงแต่ประทีศแผ่งทวีปอาเซียหองเป็นประเีศแผงโลก เวลานี้ผู้ศาสนา ก, ก็แพร่ไปทั่วโลกให้คนได้รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ไปทั่วโลกต่อไปข้างหน้าประเทศไทยจะเอาผู้ศาสนาไว้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะจะไปเจริญงอกงามอยู่ในต่างประเทศก็ได้เหมือนกับที่มาเจริญงอกงามอยู่ในแถบอาเซียนทางเนี้ยทางประเทศไทยทางประเทศ กัมพูชาในสมัยหนึ่งประเทศไทยประเทศกัมพูชาเทศลาวแล้วก็หายไปจากอินเดียนี้ก็เราต้องมีดับเพลิงกิเลสได้หมดแล้วก็พระอรหันต์นี่แม่ท่านจะดับเพลิงกิเลสได้หมดแล้วแต่ก็ยังมีความทุกข์ทางกายอยู่บ้าง น, นั่นก็เพราะว่ายังมีวิบากขันยังเลืออยู่รับยังมีวิบากขันเลือยอยู่เหมือนไฟ ไม่เชื่อหมดแล้วเหลือแต่ขี้เศราอุ่นๆทีนี้ก็ทั้งยังไรก็ตามนะครับความทุกข์ทางกายนั้นก็ครอบงําจิตใจของท่านไม่ได้ความแตกต่างความทุกข์ทางกายของปุถุชนกับพระอริยเจ้าอยู่ตรงนี้ถือว่าปุถุชนเมื่อมีความทุกข์ทางกายก็ครอบงําจิตได้ ด, ด้วย แต่พระเดียเจ้านี่มีความทุกข์ทางกายแือครอบงำจิตท่านไม่ได้จิตท่านไม่เป็นทุกข์ด้วยทีนี้มาถึงตรงนี้อยากจะแวะนิดนึงว่าผู้ที่อบรมจิต ด, ดีแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตเราดูได้ที่ไหนเราดูได้ที่ไหนเราก็ดูได้ที่ว่าผู้ที่อบรมจิต ด, ดีแล้วเมื่อสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเกิดขึ้น ก็ครอบงำจิตท่านไม่ได้แต่คนที่ยังไม่ได้อบรมจิตเนี่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ครอบงําจิตได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงําจิตได้อันนี้คือข้อแตกต่างความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกมนุษย์เนี่ยมันพันน า, นากันไม่ไหวครับไม่สิ้นสุดมันเยอะแยะไปหมดเลย แต่ ว, ว่าจะเป็นทุกข์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีแบบต่างๆอาการต่างๆไม่เหมือนกันต่างคนต่างเขาเข้าใจว่าทุกข์ของตัวนั่นแหละหนักนะผู้อื่นไม่รู้ถึงทุกข์ของผู้อื่นนอกจากผู้ที่มีจิตใจกรุณนาะนอกจากผู้ที่มีน้ำใจกรุณนาะเท่านั้นที่จะทุกขกบที่ถูกคลาดมันเสียบเอานะ่ะ ซี่กลาดมันสับเอาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ากบมันจะเสียบสะกแค่ไหนชาวนาที่กลาดอยู่นั่นก็ไม่รู้วัวที่มันถูกตีถูกขวดลงไปบนแผ่นหลังถูกขวดลงไปที่ก้นของมันโดยไม่เรียวเพื่อจะให้มันเดินไปข้างหน้านำแอกนาไถไปใครจะรู้ซึ่งยิ่งกว่าหัวชาวนาก็ไม่รู้ ว่าเวลาผานไถ่มันปาดเอานองของวัวเวลาเดินไม่ถูกต้องอเดินพลาดไปผ่านไถ่มันก็คลูดเอานองบางทีก็เส้นเอ็นขาดไปเลยใครจะรู้ซึ่งถึงความเจ็บปวดของวัวนอกจากตัววัวเองคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเจ็บปวดคนที่ให้ความไม่ยุติธรรมไม่เจ็บปวดแต่คนที่ได้รับความอายุติธรรมมันเจ็บปวด ความทุกข์ต่างคนต่างก็มีทุกข์ของตนแล้วก็รู้สึกว่าตนของตนตนัน้นห น, นักหนักความทุกข์ของตนนัน้นหนักหนักอันนี้บุคคลอกีกในโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นทรงสแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ทางั้งแต่ความไม่เป็นธรรมในสังคมเช่นการเบียดเปลี่ยนกันมีคําการเบียดเปลี่ยนกันไปจนถึงทุกข์ที่ละเอียดประณีตขึ้นไป ถึงมาในลักษณะซ่อนเร้นนะครับเช่นความทุกข์ที่มาในรูปของความสุขก่อนแล้วก็ความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ตามมาหรือเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปที่ท่านเรียกว่าวิปริณามะทุกนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้คนมีความสุขอย่างสมบูรณ์สมกับที่ได้รับการยกย่องจากนักปราทั้งหลายว่าพุทโธโสภควา โ at ูทายะธรรมังเดเสติพระผูมีพระภาคเจ้าท่านทรงรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วทรงสแสดงธรรมเพื่อความรู้ความตื่นความเบิกบานดินโนโศภคะวาตาระนายะธรรมังเดเสติทรงข้ามพ้นแล้วทรงสแสดงธรรมเพื่อการข้ามสันโตโศภคะวาสมัายะธรรมังเดเสติทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ ดันโตโศภควาดมัทายะธรรมังเดเสติทรงผลพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกปรินิพุโตโสภควาปรินิพพานายะธรรมังเดเสติทรงดับสนิทแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความดับสนิทเพราะฉะนั้นพระตาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกท่านผู้ฟังที่เคารพกับ คิดว่าพอดีแค่นี้เือถ้าเกืดอจะเริ่มต่อไปก็จะไม่จบขั้วข้อนั่นก็ขอหยุดติด้วยเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทางทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ประทับรายการและแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ